จะได้ปรารกธรรมะสู่กันฟังเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเดือนสิบแปดค่ำซึ่งตรงกับวันที่สามตุราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นวันที่ พุทธบริษัทได้รักษาโวสถศสินเป็นผู้ที่เสียสละกิจบ้านการเรือนมาทำความสงบ ก, กายสงบปาาจาสงบใจสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้าย ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโหตพะรู้ธรรมารมด้วยใจการรักษาอุโบสถศีล น, นี้มันสำคัญอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้ทำใจให้เป็นกลาง ในระหว่างตากับรูปหูกับเสียงเป็นตน้นไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นการรักษาสินอุโมสดโดยแท้ <c oughs> <c oughs> แม่ผู้ประพฤติพมจรรย์เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันอันพระภิกษุสามเณรนี้ ไม่อ้างการอ้างเวลาคือเป็นการสำรวมอินทรียกเป็นนิดทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆที่อารมณ์ที่น่ายินดีก็ดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายมาถูกต้องเข้าก็ไม่หลงไหลไปตามมีสติควบคุมจิตให้เป็นกลางอยู่ได้ อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นให้รู้จักความหมายของการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์จะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะการสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปนี่แหละผู้รักษาโบสถศีลก็เหมือนกัน ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่จะต้องตั้ง อ, อกตั้งใจสำรวมกายวาจาใจสำรวมอินทรีหกดังกล่าวมานี่ให้สม่ำเสมอไปอย่าให้ใจมันวันไหวไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอย่างนี้จึงการรักษาอวสชิสินมันก็ถึงจะ เป็นสินอันบริสุทธิ์ได้เขาได้เจ้าทรงตรัสว่าอานิสง์แห่งการรักษาโสดสินนี่นับว่ามีมากมายทีเดียวอุโสดสินหรือว่าสินแปดอันนี้ท่านกล่าวไปตลอดถึงพระอรหรันต์เมื่อคำว่าพระอรหันต์นี่ท่านมีหมดทุกสิน ก็แล้วกันแหละนับแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือศีลสีนในแก่บริสุท ธ, ธิ์ศีลมูนี่พระอรหันต์นี่ท่านมีศีลเหล่านี้หมดแล้วท่านมีศีลบริสุธทธิ์พุดฟ่องด้วยดี <c oughs> ไอ้พวกที่ยังไม่บรรลุอรหัตตะผลท่านี้ก็ต้องพยายามพยายามสํารวมสินสํารวมอินทรีย์ไปให้เต็มความสามารถของตนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้พบหละคำว่าอรหัตตคุณหรือว่าอรหัตตะผลก็จะไม่ได้พบผ่านเลยทีเดียวแหละ เพราะคำว่าพระอระหันนั่นแปลว่าพระผู้ยุติในการเกิดอีกต่อไปแล้วหรือว่ายุติจากพบจากชาติต่างๆเป็นนั้นว่าตัดทบตัดชาติขาดไปแล้วชื่นนาว่าอารหรัน การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทุกคนก็ต้องให้มุ่งไปตรงนั้นเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยังจะมาอ้างโนนอ้างนี่บัาจนนั่นไม่มีความสามารถจนนั้นทาไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างอย่างนี้นี่นับว่าเป็น ความไม่ฉลาดของผู้นั้นผู้ฉลาดไม่เป็นเช่นนั้นผู้ฉลาดนี่เมื่อมองเห็นลู่เห็นทางนำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางดังกล่าวนั้นแล้วก็ไม่ย่ทอท้อมีแต่ตั้งหน้าทำความดีไปฝึกตนไปเรื่อยๆไม่ท้อถอย เพราะว่าถ้าว่าเราท้อถอยเสียมันก็จะนานถึงจุดหมายปลายทางก็จะต้องเด้เสวยทุกทนทรมานไปในสงสารนี้นานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบธรรมดาผู้มีปัญญามยามมองเห็นอย่างนั้นแล้วจึงไม่ถอยหลังพยายามฝึกตนไป กิเลสอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็เพียรละมันไปเรื่อยๆไม่ต้องอ้างนั้นอ้างนี้อะไรเลยมีแต่ละกับละอย่างเดียวนั่นเองเช่นความรักอย่างนี้นะก็ทรงสอนให้ละแหละถ้าไม่ละความรักก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ความชังก็เหมือนกัน ถ้าไม่รกความชังกับพ้นทุกข์ไปไม่ได้เ mm hmm. พราะรักกับชังมันทำจิตให้วันไวเมื่อจิตวันไวแล้วไม่มีทางเราจะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ mm hmm. แม้แต่สวรรค์ก็ยากที่จะไปได้อย่าว่าแต่พระนิพพานเลย <c oughs> อันพูดจะไปสวรรค์ได้นั่น มันก็ต้องเห็นโทษของโลกสงสารอันนี้ก่อนเห็นความทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ว่าการเกิดมีชีวิตอยู่เป็นในโลกอันนี้เน่ะมันแสนทุกข์แสนทรมานไม่มีอิสระเสรีมีแต่เครื่องผูกมัดลัดลึงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้น เพราะเกิดขึ้นมาแล้วสมบัติต่างๆหรือปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตนี้ต้องแสวงหาไม่ใช่เกิดได้เองเหมือนอย่างสมบัติทิพย์อยู่บนสวรรค์อะไรๆต้องแสวงหาทั้งนั้นเลยต้องทำการทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องใช้ความคิดความนึกอะไรทำอย่างไร จึงจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เมื่อคิดเห็นลู่เห็นทางว่าจะได้เงินได้ทองมาแล้วก็เอาและดิ้นลงมือทำไปหนักเอาเบาสู้อดกั้นทนทานต่อความยากลำบากสู่กันไปอย่างนั้นแหละเกิดมาในโลกนี่นะ แต่บางทีทำไปทำไปไม่ได้ผลตามเป้าหมายก็มีเช่นอย่างทำการค้าขายอย่างนี้บางทีก็ขาดทุนยุบยับไปเลยแต่พวกชาวนาะชาวสวนก็เหมือนกันทำไปบางพีก็แรงข้าวตายหมดเอา้าก็มาทนทุกข์ทรมานกันหาข้าวมาเลี้ยงกัน หาเงินหาทองมาซื้อเข้าเลี้ยงกันออบางรายก็เขาเกิดอุปติเหตุไฟไหม้บ้านโวดไฟไปหมดไม่มีอะไรเหลือต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยเหลือพอประทังชีวิตไปบางทีก็โจรปล้นบ้าน เ, าเขาเก็บเอาของที่มีค่าไปหมด สละพสิ่งที่ให้ผิดหวังการเกิดมาในโลกนี้นะอทุกคนนั้นควรพิจารณาให้เห็นโทษของการเกิดมาในโลกนี้นะป่าถนาสิ่งใดที่จะให้ได้สมหวังนั้นนภามีน้อยเ็มทีเลยถ้าว่าเราป่าถนาสิ่งใดมันได้สมหวังแล้วมันจะมีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้ว ในโลกอนี้นะอะมันจะอดอยากขาดแคลนอะไรแล้วก็เพราะเหตุที่ว่าปรารถนาสิ่งใดมันไม่ได้สมหวังมันแหละมันถึงได้เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะอันผู้ที่จะไปสวรรค์ได้มันต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อ เปดคนมาเห็นโทษอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็ไมาเห็นคุณแห่งการพ้นจากโลกนี้ไปเห็นคุณเช่นว่าเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มมันลุรานิพานยังไม่ได้บุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้รับความสุขความสบาย ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่หลายร้อยหลา ย, ลายพันเท่ามันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบุคคลที่จะไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาเห็นโทษเห็นทุกข์ภายในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างนางปฏิปูชิกาแต่ข้างของพระเจ้าน่ะนางปฏิปูชิกานี่แต่ ชาติก่อนน้องก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทําบุญให้ทานรักษาสินวางธรรมออตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงไปเป็นภรรยาของมาลาเพรีเทพพระบุตรร่วมกับเทพเทพรพธิดาอื่นๆเม อ, อ่ อ, อนี้วันหนึ่ง ไปชมสวนดอกไม้สมสวนอุทยานกันพอดีนางเทพธิดาต้นนี้แหละขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้ส่งลงมาให้เทพพระบูทูเป็นสามีเมื่อเก็บไปเก็บมาแล้วไม่ทราบยังไงอายุมันก็หมดลงปัจจุบันทันด่วนเลยจุติ ลงมาเกิดในโลกนี้มาเกิดอยู่ในสกุลหนึ่งเมืองสาวถีเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วก็มีสามีมีลูกมีลูกอยู่สี่คนแต่ว่านางนั้นระลึกชาติหนหลังได้พอมาเกิดในโลกนี้แล้ว มาได้พบกับความยุ่งยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแ ย, ย่งซื้อแย่งขายกันก็เลยเบื่อเบื่อวันนี้ก็คิดทาบุญกุศลที่จะให้ได้ไปเกิดในสำนักสามีต่อไปอีกเพื่อนก็เลยมาอาสาเป็นแม่ครัวสมัยข้างบูทยเจ้านั้นเขาก็สร้างโรงครัวไว้เหมือนกันแหละ แต่มันมันไม่มีแม่ชีแม่ขาวอย่างทุกวันนี้มีแต่ผู้บวชเป็นนางพิสุณีเมื่อบวชเป็นนางพิสุณีแล้วจะไปทำครัวอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องเที่ยววินเทบาทเรเลี้ยงชีพแตะในสมัยนั้นพระเนันมากอาหารในโรงครัวหรือว่าอาหารที่ญาติโยมนาอมไถวายในวัด ก็ไม่พอแจกกันก็มีเนงนั้นพูกมีกำลังทรัพย์เกิไปจัดสร้างโรงครัวขึ้นไว้ใกล้กับวัดนั้นวันนี้ก็ประกาศหาแม่ครัวใครสมัครใจอยากเป็นแม่ครัวอยากทำบุญแบบนี้ก็เชิญนางปฏิปูชิกานี่เพื่อนได้ทราบเข้าก็เลยสมัครมาเป็นแม่ครัวทำอาหาร ถวายพระพระองค์ใดหรือพระหมู่ใดไปเที่ยววินเทบาทแล้วไม่ได้อาหารก็ไปแวะโรงครัวนั้นนางปฏิปูชีคานี่ก็จัดจัดอาหารนั้นถวายพระเหล่านั้นให้ฉันแต่ว่าก่อนที่จะถวายก็ยกอาหารยกยพาสำรับหม้อที่ใส่อาหารนั้นจบศีรษะแล้วก็อธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพาเจ้าได้ไปยเกิดในสำนักสามีของข้าพาเจ้าเ<อ>มื่อกล่าวคำอธิษฐานหรือว่าปาถนาอย่างนี้แล้วก็จึงถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทำอย่างนั้นเรื่อยมาท่านอยู่มาวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลงก็ท่านหันเลยกลับไปบ้าน พอกลับไปบ้านก็เลยถึงแก่กรรมไปพอถึงแก่กรรมไปแกก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงเหมือนเดิมเลยแหละไปเกิดขึ้นที่ต้นดอกไม้ที่เพื่อนเคยขึ้นมาแต่ก่อนนั้นน่ะในว่าหญิงคนนั้นน่ะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อายุประมาณสี่สิบปีแล้วตายตายไป ไอ้พวกเทวดาพวกเทวดาที่ไปชมสวนอุทยานนั้นยังไม่กลับที่พักเลยยังสนุกสนานกันอยู่สวนดอกไม้นั้นเนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ตายไปก็ไปเกิดขึ้นที่นั้นเพื่อนเห็นเข้าก็เลยถามว่าเอ๊ะเมื่อตะกี้นี่แกไปไหนอ๋ อ, อฉันจุดิีไปเกิดในโลกนู่นวะงั้น ในโลกมนุษย์นู่น oh. มาดิพาลาเพลีเทพบุะบุมาลาเพลีเทพประบุนั่นก็ถามเป็นยังไงแล้วความเป็นอยู่ของมนุษย์ของชาวมนุษย์สบายดีไหมฝ่ายนางเทพพัชดานี่ก็ตอบว่าไม่สบายเลยเพราะเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มีแต่ทำการทำงานไม่ได้อยุ่ได้ยอน อะไรอะไรก็ขนขวายหาเอาหมดมันไม่ได้เกิดเองเหมือนเมืองสวรรค์ น, นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าละอาใจเกี่ยวกับหมู่มนุษย์นี่เบียดเบียนกันไม่ให้อภัยต่อกันและ ก, กันอันนี้น่าเบื่อน่ายจริงๆรพาลาเพลียที่พระเทพบุตรได้ฟังอย่างนั้นก็สะลดใจว่า เ, ออเมื่อถามถึงอายุของมนุษย์ น, นี่ก็นางเทพพัิดานั่ยก็ตอบว่าอายุของมนุษย์ไม่เลยร้อยปีร้อยปีเมืองมนุษย์เทพบุตรก็กล่าวคำสังเวชสลดใจว่ามนุษย์เรานี่มัวเมาประมาทมีอายุน้อยนิดเดียวหนึ่งก็ยังพากันมัวเมาประมาทยังเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ยังไม่ตั้งใจต่อบุญต่อคุศลสศีลธรรมอันดีงามน่าสังเวชสลดใจจริงๆออนี่แหละนี่ที่เล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งจกข้างพระทีเจ้ามาสู่การฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าอันบุคคลผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็ต้องมาเห็นโทษแห่ง ความเป็นอยู่ในโลกนี้โลกธนิวัติอันนี้เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาแล้วก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉยๆก็ต้องขอนขวาย ท, ทาบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อทานมีแล้วศินยังไม่มีก็พยายามรักษาสินหายบริสุทธิ์เมื่อสินห้ามีแล้วศินอุโบสถยังไม่ได้รักษาก็เพียรพยายามรักษาศินอุโบสถอในวันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำให้ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นเองภ <c oughs> าวนายังไม่มี กพยายาพ็พยายามภาวนาพยายามฝึกผลอารมณ์จิตนี่ให้เข้าถึงความสงบระ ง, งับแม้จะสงบอยู่ได้เป็นครั้งเป็นคราวกว็ยังนะบาดีกว่าไม่ทำเลยยีกวาไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองซึ่งปล่อยให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนอใจเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีทางเราจะไปสวรรค์ได้ ผู้จะไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาฝึกจิตใจของตนให้สงบมานึกถึงบุญถึงคุณพระรัตนไกลอันตนนับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่เสมอเสมอไปพยายามประครับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้ให้ได้ เช่นนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายอย่างนี้จิตใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเพราะว่ามันได้ฝึกไปตั้งแต่ยังมีเรียวแรงดีอยู่นี่แล้วฝึกเอาจนชินจนว่าใจนั้นมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเดียวเกลียดต่อบาปความชั่วต่างๆเสมอไป ไม่ยินดีต่อบาปอากุศลต่างๆเลยนี่แหละการฝึกฝนจิตใจอย่างนี้แหละถึงจะไปสวรรค์ได้หลังจากหมดอายุของความเป็นมนุษย์แล้วดังนั้นพุทโธิษัทจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าความสุขนั้นมันมันมันมีเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ว่ามีขั้นเดียวเท่านี้อ สำหรับปุคคลผู้ที่ยังสร้างบา ร, รมีไม่เต็มก็จะต้องได้รับความสุขเป็นขันข้นๆไปก่อนเช่นมนุษย์สุขเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับความสุขสบายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่จูใจยังพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกนี้เจืออยู่โดยทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นสุขล้นรวน ก็จึงได้เบื่อหน่ายต่อความสุขไม่ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขในโลกอันนี้สละเวลาเข้าวัดเขาวาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจา้าจำสินห้าสินดูโบสด อ, อย่างนี้อบ ร, รมจิตใจให้โน้มน้าวไปในทางบุญทางกุศลให้มากๆอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องหยุด ในโลกสงสารผู้ใดตื่นตัวแล้วจะต้องปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้พยายามบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนั้นให้เป็นไปพร้อมๆกันไปเช่นทานมีแล้วก็มีศีลด้วยคือไม่ทำบาปบุคคลผู้ให้ทานนี้ยย่อมเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณา คนใจคนใจบุญคนมีเมตตาจึงค่อยให้ทานได้เมื่อมีเมตตาอย่างนี้มันก็มีสินได้ก็ไม่เบียดเบียนใครมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้นะเมื่อมีสินแล้วอย่างนี้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะอา น, นิสงส์สินอย่างนี้แล้ว มันก็เป็นเหตุให้สนใจอยากภาวนาอยากแสวงหาความสงบของจิตใจให้ยิ่งไปกว่านี้ก็เป็นเหตุให้สนใจในการฟังการศึกษาในเรื่องทางภาวนาเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติไปเมื่อชนานาญควบคุมจิตใจได้แล้ว อย่างนี้มันไม่เฉพาะแต่เวลาไปสงบอยู่นั่งภาวนาอยู่เท่านั้นแม้ออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วจะยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติประคองจิตใจนั้นให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เสมอเสมอไปอย่างนี้ลราจึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติ ทั้งสามประการนี้พร้อมๆกันไปเลยเออถ้าหาว่าขาดอย่างว่าขาดภาวนาอย่างนี้นะถ้าขาดภาวนาแล้วก็หมายความว่าขาดการควบคุมจิตตัวเองปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่นนี้อันการรักษาศีล น, นั่นมันก็ได้บ้างสีบ้างเศร้าหมองไปเพราะเหตุว่าใจมันไม่ตั้งเป็นปกติอยู่ได้ แม้การให้ทานก็เหมือนกันถ้าว่าใจมันไม่สบายใจมันไม่เบิดเบิกบานปลอดโปร่งแล้วบางทีก็เลยให้ทานไม่ได้ซ้ำก็มีอันผู้ที่จะให้ทานได้นั้นต้องมีใจเบิกบานผ่องใสต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆออย่างนี้แหละต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆว่าทานนี้แปลว่าการให้ การให้นั่นมันก็ต้องมีการเสียสละการเสียสละนี่มันต้องเสียสละความตณีความหงเหนออกจากกิจนี่กรเมื่อความตณีระงับไปจากกิจใจนี้แล้วมันจึงสละวัตถุสิ่งของภายนอกให้เป็นทานไปได้นี่เพราะฉะนั้นการที่เราสละวัตถุสิ่งของ ที่ควรให้ควรบริจาคทานได้นี่มันก็ทำให้ความโลคความตนีอันหมักมมอยู่ในจิตใจนั้นเบาบางลงเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อรักษาไปไม่ไม่ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างมันพร้อยเช่นนี้นะบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจ ก็จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์พุทธผ่องไปได้ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเหละคนมีเมตตาจิตนะทั้งมีปัญญาด้วยมีปัญญาคิดเทียบเคียงชีวิตของตนกับชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเทียบกันไปเราฉั้นใดบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นเรามีความปรารถนาดีอย่างไร บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ปาฏิมีความปาฏนารดีเหมือนกับตนนี้เองเมื่อพัญยานพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็เว้นจากการเบียดเบียนได้ก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิเออ์เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้เห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นนะ มันนำให้คนเราหลงทางเดินของชีวิตทำให้เดินทางผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนไม่ได้รับความสุขความสบายใจหรอกคนเราถ้ามีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนเป็นผลบุคคลผู้มาเห็นทอดแห่งความหลงความ เห็นผิดดังกล่าวมานี่นะจึงได้ศึกษาสะดับระดับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้อุบายวิธีแก้ความหลงเหล่านี้ด้วยการทำสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานมีอาณาปานสติเป็นต้นดังที่อธิบายมาแล้วแต่ก่อนนั่นแหละอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติไปด้วยความไม่ความหมาดก็จะได้ประสบความสุขความสงบดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้